คนเราทำตามความคิดจึงไม่เห็นความคิดไม่ได้ทำงานด้วยความรู้แต่ทำงานด้วยความคิดความคิดนี่แหละพาให้เราเดือดร้อนหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภ วันนี้มีคำถามเกี่ยวกวับเรื่องการเจริญสติคำถามเนี่ยมีอยู่บ่อยครั้งจากญาติธรรมเจริญสติมาบ่อยๆทุกวันทุกวั น, นมักจะมีญาติธรรมมีสงสัยสงสัยเรื่องที่ว่าเจริญสติทําำมาเพื่ออะไรนี่คือคําถามมีคําถามนะ มันก็ต้องมีคำตอบอะการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อทำให้เกิดปัญญาคือรู้ความจริงของกายของจิตความจริงของกายของจิตคืออะไรคือกายจิตเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีเที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวไม่จิตตนอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นเขานะพอ ร, รู้ความจริงแล้วเนี่ย มันก็เกิดการปล่อยวางจิตหลุดพน้นเพราะไม่ถือมั่นผลก็คือทุกข์ไม่เกิดตอบอย่างรัดลัดก็คือว่าการจิตสติเนี่ยก็เพื่อพ้นจากความทุกข์ต น, นั้นเองง่ายๆเพราะว่าชีวิตของปุตุชนคนธรรมดาสามัญเนี่ยมักจะชอบคิด ลุงแตงเคยจินไปกการคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆแล้วขาดสติเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ความคิดที่เรากําลังคิดเนี่ยมันเป็นตัวเราของเราจริงๆเราเป็นผู้คิดยึดมั่นถือมั่นทําให้ใจต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นทุกข์ทุกครั้งที่จิตมันคิดจิตมันทุกข์เลยลนะ่ะ แต่เราขาดสติขาดปัญญารู้ไม่เท่าทานความคิดปรุงแต่งเนี่ก็เเป็นทุกข์แต่เมื่อใดที่เรามีสติหรือสติมันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตามมันก็จะรู้เท่าทานความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเราความคิดก็ดับไปดับไปในทันทีเลยก็ทำให้ใจเราเนี่ยมีความรู้สึก โปร่งเบาว่างสงบใจสบายก็เลยว่าเป็นภาวะที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่เนี่ยแต่เราไม่เข้าเห็นเพราะเราขาดสติเมื่อจิตใจโปร่งเบาสบายเห็นความคิดมันดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เลยนะจะมีความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีเล้าไม่มีเขาไม่มีใครสุขไม่มีใครทุกข์มีแต่สติปัญญาล้วนลวนรู้สึกตัวดูอยู่ว่างอยู่เห็นอยู่นั่นนี่เป็นความคมชัดของสติแต่ว่าเราจะเข้าถึงภาวะนี้ได้นั้นมันมีวิธีวิธีง่ายๆก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความเคยชินแบบใหม่ เปลี่ยนอุปไซส์แบบใหม่ที่ชอบมองแต่สิ่งข้างนอกส่งจิตออกนอกดูคนนูน้นดูคนนี้นี่ไม่ได้ดูตัวเราต้องเปลี่ยนใหม่กลับมามีความเคยชินที่จะดูตัวเราสังเกตกายสังเกตใจเราด้วยสติดูจิตของเราเป็นอย่างไรกายของเราเป็นอย่างไรดูให้ต่อเนื่องคือตามรักษาจิตของเราเ ให้เป็นปกติให้เป็นนี่ใสยอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยรู้สึกตัวอยู่เนืองเนืองให้ต่อเนื่องกนานการดูกายดูจิตแต่ละครั้งให้ดูแบบรู้เฉยเฉยรู้สิ่งที่มันปรากฏเฉพาะหน้าคือที่มันกำลังเกิดขึ้นรู้เฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิด ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นจิตมันก็จะเป็นปกติมีแรงเพาวะาที่รู้สึกตัวดูอยู่เห็นอยู่การที่เรามีสติตามรู้กายรู้จิตยอยู่เนืองอย่างต่อเนื่องเป็นอุปนิสัยนี้นจะนําพาวิถีชีวิตของเราเนี่ยออกจากความเร่าร้อนออกจากความสับสนวุ่นวายหรือความทุกข์ทนหม่นหมอง มาสวนทางที่สงบเย็นปลอดภัยจากความทุกข์ด้วยการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเป็นวิธีทางที่ลัดสั้นเข้าสู่ความพ้นทุกข์เลยที่ว่ารัดตั้นก็เพราะว่าทําสิ่งที่มากให้น้อยทําสิ่งที่ยากให้ง่ายๆทาสิ่งที่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์ ทำสิ่งที่มากใครน้อยก็คือทันที่เรามีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยจะต้องไปดับความทุกข์จากสิ่งภายนอกอาศัยสิ่งภายนอกไปพึ่งหมอดูดูโชคลางเลิก ง, งามยามดีผีเจ้าเข้าทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกตัวเราเไปพึ่งสิ่งนั้นคิดว่าจะช่วยเราได้ไปทาบุญวัดอุน ว, วัดนี้ แล้วก็ไปยึดมัน่นถือมั่นกับการทําบุญแต่สิ่งภายนอกจะลุวลวนดูใจของเราเนีไอ้ น, นี่ยทําสิ่งที่น้อยให้มากนะถ้าทําสิ่งที่มากแค่น้อยก็คือเวลามีความทุกข์ในใจเนี่ยเรามีสติรู้ต่อทันในความทุกข์เหล่านั้นในจิตใจของเราเนี่ยน้อยใช่ไหมไม่ต้องทําสิ่งที่มากทําสิ่งได้น้อยหรือทําสิ่งที่ยากให้ง่าย เวลาเรามีความทุกข์เกิดความคิดนึกปรุงแต่งในใจเราเนี่ยดูมันยากแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยเโดยที่ไม่ต้องไปขจัดความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยแค่รู้เฉยเฉยรู้แบบดูดูแบบแยกๆความคิดนัก็จะดับไปหรือแต่จิตล้วนๆที่รู้สึกตัวดูอยู่ง่ายๆทําสิ่งที่ยากให้ง่ายหลวงพ่อเทียนนี่ ถาเกยยกตัวอย่างเวลาตอนเย็นเนี่ยเราจะไปเปิดไฟเราไม่จำเป็นต้องไปหมุนที่หลอดไฟเพื่อให้ไฟมันติดหรอกเราเพียงแค่เปิดสวิแปะเดียวไฟก็ติดแล้วใช่หหรืออย่างว่าไฟมันเปิดอยู่เราต้องการจะไปดับไฟเราไม่ต้องไปหมุนที่หลอดไฟเราเปิดสวิแปะเดียวไฟก็จะดับลงเนี่ยทำสิ่งที่ยากให้ง่าย เช่เดียวกันเมื่อเกิดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราเพงมีสติรู้เฉยๆความคิดก็ดับไปง่ายๆยหรือทำสิ่งที่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์อันนี้สำคัญมากยัในใดที่ใจเรามีความทุกข์เกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆรู้ว่าเนี่ยจใจเป็นทุกข์แล้วเพียงแค่มีสติรู้เฉยๆรู้อยู่ดูอยู่ในความคิดปรุงแต่งที่เกิดในใจเรานั้น ไม่ต้องหนีไปไหนรู้อยู่ห่างๆเนี่ยอันนี้เท่ากับว่าเป็นการกำหนดรู้ทุกข์แล้วเมื่อเรามีสติรู้เฉยๆเป็นการกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นการละสมุทยัยละเอเสงความทุกข์ไปในตัวเป็นการละตันหาละความยึดมั่นถือมั่นในทุกนั้นนี่ก็เป็นการละสมุทัยโดยตรงเมื่อจิตละสมุทัยได้แล้วทุกข์ก็ไม่เกิดไม่ใช่ดับทุกข์นะ แต่ทุก์ไม่เกิดพระตะเรียกว่านิโรธกระบวนการทั้งหลายที่เรากําหนดรู้ทุก์ละสมุ ท, ทยัยและกระทุกไม่เกิดกระบวนการเหล่านี้ก็คือการเจริญมัสมีองแปดนั่นเองในขณะดจิตเดียวกันเลยการเจริญมัสมีองแปดก็คือการเจริญสติเห็นไหมการเจริญสติเนี่ยจึงเป็นวิธีที่รัดสั้นมุ่งสู่ความพ้นทุก์โดยตรง เป็นการทำสิ่งที่มากให้น้อยทำสิ่งที่ยากให้ง่ายทำสิ่งที่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์ก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าเราเจริญสติทำไมเจริญสติเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของจิตแล้วเกิดการปล่อยวางจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น ก็เป็นการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตอบสั้นๆว่าจิตสติก็เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเอง